น้อมน้อมแด่พระตะไล่การถึงที่รู้จักิดชาวพุท้งหลายขากลาวคาวะพระเทวมิตรวาเพื่อมามทุนคธรรมจารที่ท่านขกเดินพรมญาติโยมผู้สนในการศึกษาทุกท่านที่มาร่วมในงานถึงการรับผันฐานของขันโลงผูเขียนซึ่งเป็นแม่ครูอาจารย์ของเรา น, นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ในสมองคุณของท่านเพราะว่าตัวพ่ออาจารย์นั้นถือว่าไม่มีครูบาอาจารย์ื่นใดนอกจากหลวงพ่อเขียนเป็นโชคดีที่เพียงัาษาที่สองก็ได้มาพบหลวงพ่อแล้วก็ไม่คิดแสวงหาครูบาอาจารย์ใดๆอีกทั้งหมดก็ร่นพ้นที่หลวงพ่อ โอกาสได้พบกันยัน จ, จาภาพได้เลยว่าไม่ไม่เคยเห็นหลวงพ่อ ต, ตามหาหลวงพ่อเห็นจะรูปถ่ายหลวงพ่อในหลังนั้นือที่ชื่อว่าไม่มีไม่เป็นแล้วก็ในหนังสือบอกว่าหลวงพ่ออยู่วัดป่าทุข์โตแต่นั่นก็เดินผ่านมานะคนขัุธก็บอกว่าหลวงพ่ออยู่วัดท่าไมาค่อยวานเราก็บอกว่าไม่จริง ขอพ่อยู่นป่าสุกตโตะพอในหนังสือบอกว่าอยู่บนป่าสุขตโตะตอนนั้นเราก็มาจัดเป็นป่าอยู่ที่วัดวัดท่ามรถไฟหวานก็จะไปพกัท่านทรายสสานททรายสีสนก็อ่าก็ปาจุดวัดท่ามรไปหานคืนหนึ่งตอนเช้ากลังนั่งขันข้างกัได้ท่านสัน้าอยู่ที่ปลาใหญ่ข้างหน้าเมื่อก่อนนีาท้งบน นั่นไม่ได้ฉันข้างล่างฉันข้างบนสไลดคือสารหน้าที่สุกโตกำลังฉันข้าวอยู่แต่ท่านอาจารย์ไปสารนะปรูกว่าหลวงพ่อเดินขึ้นมาบนศาลาแล้วก็เห็นพรพุธจําได้ว่าเหมือนในหนังสือที่ด้านหลังเนี่ยเชื่อหนังสือว่าไม่มีไม่เป็นก็ เ, เลยบอกฮึ่ยหลวงพ่อมาแต่แล้วท่านอาจารย์ววสารก็บอกว่าหลวงพ่อครับ พระสองรูปเนี่ยกระจายตัวจะมาเป็นลูกติดหลวงพ่อครับหลวงพ่อยกมือไหว้ทุบหลวงพ่อที่ไหว้พระเร็วจริงๆความเดิอของการไหว้มีท่าอาจารย์ว่าวันนี้ก็ยังไม่มีใครเตีนไวเท่าหลวงพ่อีการยกมือไหว้คระหลวงพ่อยกมือไหว้พระเร็วมากเลยทุบหลวงพ่อให้คําว่าไม่ต้องมาเป็นลูกติดกันหรอกครับมาเป็นเพื่อนกัน ถ้าอาจารย์จำได้ว่าวันนั้นนิ่งพอยหลวงพ่อยกมือปุอ๊บนิ้งอาจารย์รีบลุกตรงจากอ า, าสนะสรงรถร่มลงกาบแล้วบอกคุณหลงพ่อเขาแล้วหลวงพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกันเนา ะ, ะผมผมจะเข้าไปที่ภูหลงเดี๋ยวตอนบ่ายผมออกมาเดี๋ยวเข้ามาเจอกันที่ที่วัดทามกไฟหวานวันนั้นก็เลยพอตอนบ่ายก็เลยเดิน เดินจากวัดป่าสุภะโตมาหาหลวงพ่อที่ตรงนี้แต่คุฑศรีแล้วเนื้อรังเก่านี่ความนั้นยังไม่ได้ทําใหม่ก็มากราบเรียนท่านมาถามกันปรากฏว่าเพื่อนของพระอาจารย์เนี่ยเป็นพะด้วยกันเนี่ยท่านก็ถามหลวงพ่อนะความรู้สึกตัวคืออะไรการจเจริญสติเป็นอย่างไรไอเราเนี่ยถามไม่เป็นเราก็ได้จะเชื่อมชมเพื่อนว่าเพื่อนถามจริงจริงๆ แล้วเพื่อนก็ฉลาดที่จะถามให้เราถามให้เพื่อนเราก็ได้จะนั่งฟังเพื่อนแต่ปรากฏว่าพอหลวงพ่อถอบคําถามเพื่อนพระอาจารย์หลวงพ่อหันมาหาพระอาจารย์ไม่ถามบ้างหรอหลวงพ่อถามพระอาจารย์ว่าไม่ถามบ้างหรอพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ า, ถามก็ได้ครับแล้วพระอาจารย์ก็ได้ขสมาธิแล้วก็หลับตาลงแล้วก็ เอามือวางลขงข้อตร ง, งข้างแล้วจากนั้นก็ค่อยๆยกมือสร้างจนไหวบนข้อดูก่อนจะยกมือเนี่ยถามท่านก่อนว่าทั้นผมถามก็ได้ครับผมพ่อครับผมทําถูกไหมนี่คือคําถามแรกที่อาจารถามหลวงพ่อคำเขียนซึ่งจําไว้ไม่เคยลืมที่จําไม่เคยลืมเพราะว่าคํำอบอกของพ่อวันนั้นเนี่ย เป็นคํำตอบที่ตอบเป็นครั้งนั้นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเป็นคำตอบที่จบลงตรงนั้นที่เข้าใจเลยว่าต้องทําอย่างนี้เมื่อพระอาจารย์ถามามาหพ่อครับคุณทาถูกไหมพ่ออาจารย์ก็หลับตาลงจากนั้นก็นั่งขยับมือตะแคงมือแล้วก็ยกมือแต่ทําช้ามากๆความที่ตัวเองทําสมาธิมาก่อน ฝึกทำสมาธาทความสมาธิมาก่อนทีนี้การยกมือเราก็เลยเข้าใจว่าการยกมือช้าๆแล้วพยายามตามรู้กับการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเนี่ยมันทําให้จิตตั้งมั่นดีมันทำให้เขาสมาธิเกิไว้าเลยทาให้ท่านดูช้าช้ามากทําไปได้แค่แต่แคงแล้วก็ยกขึ้นพอมือขวามาถึงของเท่านั้นแหละถึงพ่อบอกไม่ใช่ หลวงพ่อคงจะแต่ว่าดูนานขอสมควรเพรามันช้ามากไงแล้วก็บอกไม่ใช่เขาไม่ใช่เราก็ลืมตาแล้วก็บอกน้องบอก็ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่หลวงพ่อบอกเลยนะดูนะการยกมือใกล้จังหวะให้ทําแบบนี้นี่คือคําสอนแรกที่หลวงพ่อคำเพียงขออนาญาต และเป็นคำสอนที่เวลาพระอาจารย์ไปสอนที่ไหนก็ตามพระอาจารย์ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคําเขียนสอนพระอาจารย์นั่นคือจังหวะที่หลวงพ่อทำให้ดูคืออย่างนี้ที่เราดูนะสัง เ, เกตเลยหมหลวงพ่อคำเขียนสอนพระอาจารย์นัคือหลวงพ่อบอกว่าให้ตั้งใจทําทีละครั้งให้จบลงกีละครั้ง แล้วรู้กับมันทีละครั้งแล้วให้จังหวะแต่และจังหวะเนี่ยให้มันหยุดและขาดจากกันไม่ใช่ลากยาวสเขอ้อบอกว่าสิ่งที่พระ อ, อาจารย์ทำใหท่านอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิเพื่อการตัดสินมันได้อย่างมากแค่ความสงบ ม, มันไม่ได้ทำไปเพื่อทาวิปัสสนามันได้อย่างมากแค่ความสงบ แต่การทำวิปปนาหรือการทำสมาธิเพื่อการทาวิปสนาหรือการกับสรุนั้นต้องให้มันเป็นแบบนี้คือตอนแรกที่พระอาจารย์ทำหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นสมาธิเหล็กแข็งันแข็งคือเปรกคลืชนยาวอย่างนี้สงพ่อบอกไม่ใช่เราต้องทำให้มันเป็นเหล็กโซ่ให้เป็นท่อนนเห็นไหม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 แล้วมาเกิดความใหม่ทีハハ่ต่อเนื่องต่อเนื่องมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันมีเป็ปัจจุบันที่ต่อขึ้นเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนไปจังหวะที่หนึ่งจบรู้แล้วก็จบไปพอจังหวัดที่สองมายกขึ้นขึ้นจังหวัดที่หนึ่งเป็นอดีตจบไปแล้วและจังหวัดที่สองคือปัจจุบันขณะที่ปรากฏแล้วก็จบลงตรงนั้นแล้วจังหวะที่สามก็เป็นปัจจุบันขณะที่ปรากฏแล้วจบลงตรงนั้น นั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อคาเขียนสอนและพระอาจารย์จําไว้และที่สําคัญก็คือเมื่อกาลเวลามันผ่านไปกระบวนการฝึกการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการยกมือสร้างจังหวะในการทำสังคมมันให้คําตอบกับชีวิตของร่าจารย์มาเรื่อยๆเรื่ยเยๆจนกระทั่งเรากล้าพูดคําว่า หนึ่งขณะแห่งความรู้สึกตัวคือการเจริญอริยมรรปองแปดทั้งแปดข้อเราจึงกลใช้คําว่าความรู้สึกตัวนั่นแหละคือการเจริญอริยมรรปองแปดทุกขณะแห่งความรู้สึกตัวปัจจุบันขณะที่ปรากฏนั้นความรู้สึกตัวในหนึ่งขณะนั้นแหละคือการเจริญอริยมรรปทั้งแปข้อรวมอยู่ในในขณะเดียว ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจคําว่ารูปนามเมื่อ เ, เราเข้าใจเรื่องการแยกกึ่งกายเรื่องจิตได้ถ้าเราแยกกายแยกจิตเป็นเราก็จะเข้าใจว่ากายเนี้ยมันก็มีความทุกข์จิตนี้มันก็มีความทุกข์รูปมันก็มีความทุกข์นามมันก็มีความทุกข์ความทุกข์ของกายของจิตของรูปของนามมันมีคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถ สร้างความรู้สึกตัวให้ตอวมึนแล้วมันสามารถแยกออกว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตอะไรคือรูปอะไรคือน้ำก็จะทําให้เราสามารถเห็นธรรมชาติแห่งรูปของนามธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตและความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายความทุกข์ที่เกิดขึ้นทีนจิตแน่นอนว่าถ้าเราเข้าไจตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของกาย ก, ายก็จะมีกระบวนการในการที่จะจัด การความทุกนั้นอย่างไรและเมื่อเราเข้าใจว่าจิตมันผป็ทุกอย่างไรเราก็จะรู้เข้าใจว่าเราจะบริหารจัดการทุกของจิตนั้นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจตรงนี้พุ๊เราก็จะเข้าใจเลยว่านี่คือการเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเพราะในสัมมาทิฏฐินั้นบอกชัดเจนนิยามของสัมมาทิฏฐิความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ในเหตุแห่งทุกความรู้อันใดเป็นความรู้ ในการลดลงแห่งทุกข์และความรู้อะไรเป็นความรู้ในการดำเนินและเป็นความตับแห่งทุกข์ก็ยังวุตติิเวสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรู้และแยกออกว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตอะไรคือทุกข์ของกายอะไรคือทุกข์ของจิตเราเราจะจัดการบริหารทุกข์ของกายของจิตได้อย่างไรมันจะเป็นกระบวนการแห่งการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับที่มันเป็นองค์ความรู้ที่มุ่งสู่ความแห่งสมมาทิฏฐิ และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นจิ่งที่หลวงปู่เจียนพูดเอาไว้นิยามการปฏิบัติของหลวงปู่เทียนก็คือดูกายเคลื่อนไหวรู้โทษทัาานใจนิชิดในขณะที่หลวงพ่อคำเขียนก็แท้คําว่าดูกายเห็นจิตรู้จิตเห็นธรรมทั้งสองคำนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยเพราะนั้นหมายความว่าเมื่อเรามีความรู้สึกตัวในขณะนั้นเนี่ย ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นชัดเจนเนี่ยเราจะรู้เท่าทันทั้งกายและจิตของเราขณะที่เราเอาศัยระลึก ร, รู้การเคลื่อนไหวของกายเป็นผ่านเบื้องต้นเรากลับรู้เท่าทันจิตของเราที่แปรเปลี่ยนแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่อว่าคนเราอยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่เราทําความได้แต่เรากับไม่เคยแข้าใจว่ามันคืออะไรความคิด เรารู้จากความคิดมาตั้งแต่เราทาความได้แต่มีเคยใครสังเกตไหมว่าความคิดคืออะไรมีใครเคยสังเกตไหมมีใครเคยใส่ใจไว้ว่าความคิดนั้นคืออะไรแล้วเคยคิดหาคําตอบของมันไหมเรากำลังมองว่าความคิดเป็นเรื่องของกายทรือเปล่าไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของจิตเราคงไม่เคยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดก็เป็นอาการที่เปลี่ยนไปของจิต เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องจิตก็ต้องรู้ท่าทางการคิดนั่นคือเหตุผลทําไมหลวงปู่จิตเป็นแค่คำ ว, ว่าดูกายเคลื่อนไหวรู้เท่าทานใจนึกคิดพราะเมื่อจิตดูแต่าฐานมันไปต้องจิตจะเปลี่ยนสภาพตัวเองให้กลายเป็นความคิดแล้วมากลับคืนมาแต่ฐานครับจิตจะกลับคืนสูน่สภาพเดิมคือแค่รู้เฉยๆคือรู้เฉยๆรู้แต่าฐานนั่นคือเหตุผลทําไมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงนประจักษ์ว่าทำฐานที่ฉีที่สุดคือกายยักข้าวติ คือสติที่เรารู้รู้กายคือเอาจิตมาตั้งไว้แล้วรู้รู้กายเพราะเมื่อไดก็ตามที่จิตเราลึกรู้กายปุ๊บจิตจะกลับคืนสุสภาพเดิมคือแค่รู้เฉยๆไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่เมื่อได้ก็ตามที่จิตหรื้อหลฐานฐานกายเมื่อนั้นจิตจะเปลี่ยนสภาพตัวเองการเปลนความคิดนั่นคือเหตุผลว่าทํำไมหลวงปู่เทียนถึงให้เราระลึกรู้กายเป็นเบื้องต้นแล้วให้รู้เท่าทันจิตที่มันเปลี่ยนเป็นความคิด เพราอนั้นจะทําให้เราแยกกายแยกจิตได้แยกรูปแยกนามได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดใจตรงนี้ได้เราแยกธรรมชาติของตัวนี้ออกว่ามันเป็นคนเราส่วนกันแล้วส่วนหนึ่งธรรมชาติที่เป็นตายส่วนหนึ่งธรรมชาติที่เป็นิตเร า, าเห็นว่าผู้จิตมันก็มีกระบวนการและธรรมชาติของมันมีความทุกข์ของมันเองมีความแปรปรวนจิตใไปของมันเอง ในขณะเดียรกันกายมันก็มีการแปรเปลี่ยนแปลงทุกข์ของมันเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการของกายของขใจได้มันก็ทําให้เราเข้าสู่สมาทิฏฐิได้นั่นเองแล้วโดยหลักการที่หลวงปู่เทีงทิ้งเอาไว้ให้เราก็ถือดูกายขึ้นไหวรู้เท่าทกาเจนทิฏมันทําให้เราเข้าสู่มรรคต่อไปได้อย่างไรสรมมาสังกัปปะ ความดํารีชอบดํารีคืออะไรดํารีคืออะไรดำรีก็คือความคิดความคิดชอบเข ช, ชัดเจนอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราต้องรู้รทบันความคิดแต่ในความคิดชอบเป็นไงเขาบอกว่าดํารีในการที่เราติดตามดำรีในการที่เรไม่มุ่งร้ายดํารีที่ยัไม่เบียดเบีย น, ยนถามว่าคนเราเนี่ย ถามันจะลุ่มหลงในรูปรถถิ่นเสียงหรือการบัคุณทั้งหลายเน่ยใจมันคิดที่จะหลงตัวพันทิพย์พันในรูปรถถิ่นเสียงหรือกามบัคุณเนี่ยเรารู้ทันใจเราคิดอยู่เเราไปตามมันไหมถ้าเรารู้ทันเราจะตามมันไหมเมื่อเราไม่ตามเพราถึงจะแต่กัดมันก็กลายเป็นสัมมาถ้าจิตมันขี้มุ่งร้ายแล้วเราเห็นทันเราเห็นทันมันก็เป็นสัมมา ถ้าจิตมันคิดจะเบียดเบียนแล้วเราก็เห็นอีกเพราะเรารู้ดูกายเคลื่อนไหวเรารู้ถึงจิตมันคิดอยู่เราเห็นคับเรากับมารู้ตัวมันก็ตายเป็นคำนมงเพราะมันไม่ไหลไปตามปีกนั้นเพราะการดมบิดออกจากกา ร, รมหรือว่าการดมบิดที่จะไม่มุ่งร้ายการดมบิดที่จะไม่เบียดเบียนมันก็เริ่มต้นที่การที่เราเห็นความคิดของเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจในคิดเราเห็นความคิดของเราที่มันจะเบียดเบียน ความคิดว่าพี่จะมุ่งร้ายเรารู้ติดตัวทันทีเรากลับ ม, า เ, า, มาเราไม่ไตรเมื่อเราไม่ไตรเราไมมันก็ไม่สัมมาเลยเพราะสัมมาคือปาก็ปรากฏขึ้นกับเราไดในหนึ่งขณะเห็นความรู้สึกกลัวนั้นและเมื่อเรามีความรู้สึกกลัวดูกลายเคลื่อนไหวหรือเพราะแทนใจมคิดอยู่เราก็จะเห็นอีกว่าถ้าคนเราเนี่ยมันคิดจะมุ่งร้ายคนอื่นได้หวานจ้ า, จา ถ้ามันคิดจะเบียดเบียนอื่นด้วยวาจามันจะเห็นไหมเมื่อเราเห็นใจเราคิดอยู่ว่าจะเห็นไหมเห็นเห็นเราจะทำไหมไม่ทําเมื่อไม่ทําก็เป็นสมาวาจา ท, าทันทีเห็นไหมถ้ามันคิดจะมุ่งร้ายคนอื่นด้วยการกระทําทางกายหรือคิดจะมุ่งร้ายคนอื่นด้วยการกระทํำทางกายหรือเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระทําทางกายเราเห็นอยู่ว่าใจมันคิดอย่างนั้น แล้วเรามีสติอุทันเนี่ยเราไม่ทำมันก็กลายเป็นสัมมากรรมตะทันทีคือการการทําการงานชอบทางกายเมื่อกี้เป็นการบอกอาสาชอบคือเรื่องออกคุณเห็นไหมพวกเราเห็นไหมว่าเมื่อเรารู้ทนทันตาย ข, ขึ้นกว่ารู้ทนจิตนิพนมันทำให้เราสา ม, มารถดาเนินมั่งเลยทันทีเพราะเราเห็นว่าใจเราคิดอย่างไร มันพักท่วงกดสอกแล้วมันไม่ทํากลับมารู้สึกโฉมมันเห็นชัดอยู่ในโฉมของมันนี่แหละถ้ามันคิดจะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพ้่มาเลี้ยงตัวหรือมุ่งร้ายชีวิตอื่นขึ้นมาเลี้ยงตัวเห็นแล้วไม่ทำคนเราถ้าเห็นเห็นอยู่ว่าตัวเองคิดอย่างนั้นแล้วซื่อตรงต่อความคิดของตัวเองอย่างนั้นแล้วกลับมารู้สึกโุมแล้วกลับมาได้พัดเราไม่ไหลไปในความคิดแบบนั้น มันก็กลายเป็นธรรมาอาชีวะการชีวิตของกรเลี้ยงชีพของเราก็บริสุทธิ์ที่เราไม่ต้องไปท่องว่าการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องต้องทำอาชีพแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดก้าสิบไม่ต้องหรือแม้การทําวาชาที่ถูกต้องก็ไม่จำเป็นเอาไม่อไบอกว่าไม่พูดหาไม่พูดโกรธไม่พูดอเสียงไม่พูดบิดไม่พูดคลืไม่พูดคำหยาดท่านคิดหรือแม้การจะทําทางกายที่ถูกต้องก็ เราต้องไม่ทําทานาติบาตไม่อาจินนาธรรไม่การเมไม่ถากจากแค่เราเห็นว่าเราใจของเราเนี่ยมันดาริที่จะทําสิ่ง น, นั้นทางกายมันดําริที่ทําสิ่ง น, นั้นทางวาจาและมันดํำริที่เลี้ยงตัวเองด้วยการเบียดเบียนชีวิตเราไม่ทําเราเห็นมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราเห็นแล้วว่ามรรมถูกดําเนินมาแล้วถึงห้าข้อยังไม่พอ ในธรรมาวายามะยิ่งทักเป็นใหญ่ธรรมาวายามะนี่บอกเลยข้อที่หนึ่งเนว่าข้อหนึ่งบอกเลยค่ะบาปอาวุโสระกันรรใดที่ยังไม่เกิดจงต้องการไว้ยิ่งให้มันเกิดถามว่าคนเราอ่ะจะทาบาปทำอาวุโสนะมันเริ่มต้นจากอะไรความคิดใช่หรือไม่เมื่อมันเริ่มต้นจากความคิดแล้วเราเห็นอยู่ว่าเราคิดอย่างนั้นโดยการที่ทำมาฐานหรือกับความรู้สึกทนีขยอยู่กับความรู้สึกทนะุกข์ รูกายขึ้ื่อนไรู้ทุกอันใจเราคิดเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่ว่าใจของเราเนี่ยไปคิดจะทะําอมกุศลเมื่อไม่คิดจะทำอกุศลตัวจะทำยังไงตัวกลับมารู้ตัวเมื่อเรากลับมารู้ึตัว บ, บาปอกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดมันเกิดได้ไหมมันย่อมเกิดไปได้เพามันถูกขัดตอนตั้งแต่มันคิดในวัคที่สองบอกว่า ความสุลกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วตรงละตรงผ่อยตรงว่ า, างถามว่าที่เกิดขึ้นแล้วแปลว่าจบไปเรื่อยจบไปแล้วสิ่งที่เก็บไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันจะย้อนกลับมามีผลกับเราในรูปแบบของอะไรมันย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบอะไรผ่าไปแล้วผ่านไปแล้วความคิดเห็นไหมมันก็ย้อนกลับมาในรูปของความคิด เพรา ะ, ะบาปงกุลและกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วมันไปย้อนกลับมาทำใหเราเครียมองว่าก็คือมันคิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ทันแล้วเราก็เลยไหลไปในความคิดในเรื่องที่คิดไปแลน้นได้ไหมเพราะเมื่อเรารู้สึกตัวปุ๊บแล้วกลับมาอยู่ความรู้สึตัวปุ๊บนี่มันละทันทีมัละทันทีกับจิตของเราไม่ไหลเข้าไปในความคิดในอดีตแล้วกลับมาอยู่กับปัจจบันขณะมันเป่นขึ้นทันที เพราะบาปกุศลกรรมใดที่มันเกิดขึ้นแล้วฉันจงละจงปล่อยจงหอนี้มันละไปในตัวเพราะมันจะย้อนกลับมาทำให้เราสมองได้รู้เข้มในวัดที่สามบอกว่ากุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดจงทําให้มันเกิดทุนกุศลคนอะไอย่างบุญกุศลคนอะไรอย่างบุญบุญนั้นคือความอิมเอิบใจความถูกใจเมื่อเราทําความดี อย่างเราเห็นใครที่เขามีความทุกข์ยากลําบากขาดแคลนปัจจัยในการทำบุญชีวิตเราช่วยเหลือเข้าไปเห็นไหมเมื่อเราช่ยวยเหลือเขาไปทุก ส, สิ่งหนึ่งจิตเดขึ้นต่อเราเรามีความปลุกใ จ, จจิตเดชใจที่ได้ทําสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าบุญแล้วคุณสอนยี่ตรงไหนคุณสอนวิลเื่องของปัญญาเป็นเฉพาะปัญญาว่าด้วยการละลความโลภความเกลีความหลงเพราะเวลาคนเราทําบุญ แต่ไม่ได้น้อมเขา้าคือกุศลเราถึงได้แต่ บ, บุญแต่ไม่ได้ดกุศลแล้วเป็นกุศลตรงไหนสมมติเรา ท, นทานารช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ทยากนั่นเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วเราอินใจสุดใจแล้วกุศลอยู่ตรงไหนกุศลอยู่ตรงที่ว่าเอาน้อมจิตเข้ามาุณผมใจกับว่าการทําบุญครั้งนี้การสละครั้งนี้การให้าทานครั้งนี้เป็นไปเพื่อละความตนมีทีเดียวพร้องมองวงแฮร์ดออกจากใจของเรา ฝึพิจารณาฝึกผ้อื่ะะให้พิจารณาความรู้ออกจากใจเห็นไหมว่าในการที่เข้าไปจัด ก, การกับโลภะที่อยู่ในใจของเราความมวังแหนที่ในใจมันก็กลายเป็นกุศลทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรก็ตามขอให้ได้ทั้งบุญเราผ่อนใจสุดใจและขอให้ได้ทั้งกุศลคือการที่เราน้อมเข้าสู่การละค ว, ร ค, ววความโลภความโกรธความโกรธส่วที่สําคัญที่สุดเมื่อ เมื่อผุดผลมันคือปัญญา ว, ว่าด้วยการละความรู้ความโกรความหลงความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเมื่อเรายกมือขึ้นเรารู้สึกทุกครั้งที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกพุกขณะพวกมันนั้นแต่ละขณะที่เรารู้สึกนั้นจิตของเราไม่ได้มีความรู้ความโกรธ ค, ความหลงใดๆ เพราะฉะนั้นความรู้ติดตัวมันจึงเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นที่มันเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะในตัวของมันเองที่มารู้ตึดตัวนั้นมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงใดๆมารู้ติดตัวอยู่มัรู้อยู่มันไม่หลงในขณะที่มันไม่หลงโลภก็เกิดไม่ได้โตรวก็เกิดไม่ได้มันไม่มีเพราะมันจึเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะในวรรคที่สามที่บอกว่ากุศลดายที่ยังไม่เกิด้องทําให้มันเกิด ถ้าเราคิดถึงบุญมันก็คือบุญใดที่ยังไม่ได้ทำองทําแต่ถ้ากุศลใดยังไม่ทำก็ต้องทำให้มันเกิดนี่คือความรู้สึกตัวถ้ามันยังไม่เกิดเขาไม่มันเกิดเขาไม่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันคือกุศลอย่างยิ่งในวัคที่สี่เขาว่ากุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วจงทําให้มันเจริญงอกงามไปบุญให้มันตั้งมั่นให้มันเป็นร้อนั่นก็คือเรา ก็ควรจะทําความรู้สึกมันเกิดที่แล้วนั้นให้มันเจริญงอกงามไพบู์ให้มันตั้งมั่นให้นำกันรอบขึ้นแน่นอนเมก่อความตั้งมั่นเต็มรอบตรงนั้นการที่เราสามารถแยกกายแยกจิตได้แต่เบื้องต้นจนกระทั่งแยกรูปนํามได้แล้วความตั้งมั่นตรงนั้นจะทําเราเห็นเด่นชัดขึ้นถึงการปภากฏขึ้นดั่งจแจ้งของกถาธรรมทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนํามาทํา เพราะฉะนั้นในอริยมรรคข้อที่เจ็ดสัมมาสติจึงหมายถึงว่าเขามีสติที่จะเลือล่อรู้กกายพนาจิตธรรมถ้าเราสังเกตดูดีๆสังเกตดูดีๆถ้าเราแยกกายแยกจิตได้แล้วนะแยกออกไปสองอย่างนี้ได้ถ้าเราสังเกตดูดีๆว่าในขณะที่กายนั้นเนะี่ยเรานั่งอยู่ยกมือได้อย่างหวัอย่างนี้ เาอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆพวกเนี่ยเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นกับเราคือความปวดเมือยใช่หรือไม่ถามว่าความกดเมื่อนคืออะไรนี่คือเวทนาทางกายในขณะที่เราปฏิบัติไปนะเราเห็นจิตที่มันแยกออกเป็การเป็นความคิดถี่เรื<ๆ>่อยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นกับเราคือพวกนี้ว่านะคาามเมอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นได้มันก็จะทำมาลง เพราะถ้าเรามองดูดีแล้ว่ะตัวกายมีเวทนาแย่ออกมาขณะที่จิตก็มีทำมารมขึ้นออกมาลองสังเกตทีดีๆในกระบวนการการปฏิบัติถ้าเราเฝ ส, สังเกตกายขึ้นหรือเราจะเห็นการปรากฏขึ้นธรรมชาติที่มันไม่ได้ขดมันมันมันเป็นคนละตัวมันวิสุทธิพัน์แต่มันมีอสใจซึ่งแต่ละกันอยู่ใครเวทนาเขาอาศัยกายเวทมันเวทีแสดงตัวปรากฏตัวออกมา ฮาริตอารมณ์ทั้งหลายทำอารมณ์ทั้งหลายก็อาศัยปรากฏขึ้นที่จิตยกตัวยอย่างง่ายๆของนิวรณ์ธรามนี้ที่มันปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นห ม, มีจริงไหมมีไหมเวลาเราปฏิบัตินิมม่วงไหมนื่แล้วความม่วงปรากฏขึ้นที่ไหนทีกายอ่ะสังเกตดีๆพอจิตเราเผลออกไปหนนิงพุเนี่ยความม่วงก็ค่อยปรากฏออกมา เพราะฉะนั้นกายมีเวทนาแยกออกมาจิตมีธรรมะลมแยกออกมาการเฝ้าเห็นอย่างนี้เราจะเห็นธรรมชาติทั้งหมดที่มันปรากฏขึ้นโดยตามหลักของสถิตฐานทันคือมีธรรมชาติสี่โครงของกายเวทนาจิตที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเรามีความรู้สึกัวตั้งมั่นดีแล้วเนี่ย ความรู้สตัวที่จเจริญล้องอามในวัน น, นีน้มันจะทําให้จิตเราเป็นกลางเป็นกลางต่อการที่จะเห็นธรรมชาติสี่กองวิปลาจดขึ้นมาอย่างแท้จริงเห็นกายแต่ว่ากายเวทนาแตา่ว่าเวทนาจิตแตว่าจิตธรรมแต่ว่ า, ว า, วาทํทามซึ่งแน่นอนว่าการเห็นอย่างนั้นมันจะนำพาไปสู่ทื่ความเป็นกลางด้วยความเขื่อนรู้ แต่นความรู้สึกตัวนั้นมันจะเห็นถ้าไจรักที่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติสี่กล่องนี้นั่นคือสัมมาสมาธิสติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติมีอุเบกขาตั้งมัน่นนั่นคือความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพยายามบอกตลอดเวลาท่านบอกพ่ออาจารย์นะอาจาชิดผมสอนมาสี่สิบกว่าปี ผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยผมพูดเรื่องความรู้สึกตัวผมพูดเสมอว่าเรื่องเคากลับมารู้สึกตัวให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวผมพูดหนึงไอ้ความรู้สึกตัวที่มันปรากฏขึ้นนี่แหละมันจะเฉลยทุกอย่างมันจะพาเราผ่านที่จะเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแต่เราไม่เข้าใจเป็น เพราะฉะนั้นแต่ขณะที่เรารู้สึกกลัวหนึ่งขณะหนึ่งขณะนั้นเนี่ยมันจะเป็การรวมมัดทั้งแปดข้อรวมไปอยู่ในข้อในอันเดียวกันเลยมัดมันรวมเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ได้ ท, ทําทีละข้อเราไม่ได้เจริญมัดทีละข้อแต่เราเจริญมัดในฐานะแห่งมัดที่เป็นองค์รวมคือรวมรวมที่ความรู้สึกตัว เพราะวันนี้ที่พระอาจารย์มานะที่นี้เนี่ยจึงอยากจะบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดท่านสอนท่านบอกที่คือความจริงมันไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดและถ่ายทอดมาสิ่งที่หลวงพ่อเขียนได้เดินตามแนวทางหลวงพ่อเทียนมาและถ่ายทอดมาเ้ื่อง่ายๆด้วยหลักการง่ายๆ คือแค่เคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกับการเคลื่อนไหวรู้สึกกับกายรู้เพราะพันกายเคลื่อนไหวหรือเพราะพันใจในทิศเนะี่ยมันกับกลายเป็นคําตอบทั้งหมดได้จริงๆแตาเป็นความมหัศจรรย์ของพระพระที่เข้าถึงความจริงที่ไม่ได้เข้าที่ตูนหนังสือแต่เป็นความจริงที่ท่านคพบพบด้วยตัวของท่านเอง แล้วท่านถ่ายข้อสิ่งอ น, นั้นออกมาในรูปแบบที่ทำให้เราเห็นเลยว่าไม่ น, น่าเชื่อว่านี่คือแพ็กเกจแพเกตที่ที่มุ่งสูอแพเกตที่ทําให้ใหอลิยามัสที่แตกก้อกลายเป็นหนึ่งเดียนะกลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันหมุนไปได้เลยแล้วมันหมุนไปได้เลยเดินไปได้เลยทำไปได้เลยตลอดมันกับพาเราทะลุทะลวงไปได้ความหลงมีไหมมี แต่ถ้ากลับมารู้สึกตราได้เมื่อไหร่มันก็หลุดแล้วเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้มันหลงมันจะเขีนอะไรเห็นไหมเพราะหลวงพ่อเขียนบอกเวลาท่านสอนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนอกจากสอนให้พระอาจารย์เข้าใจตรงนี้ว่าเนี่ยให้ทำทีละครั้งทุกทีละครั้งจบทีละครั้งแล้วทําให้เราเข้าใจว่านี่คือมรรคหนึ่งคณะแห่งความรู้สึกจบคือมรรคสองหลงพ่อยังมีความความเมตตานะเวลาท่านสอนเนี่ย เขาบอกว่าหลงในบ้างก็ช่างมันรูน้บ้างหลงบ้างช่างมันยิ่งหลงแล้วกลับมารู้ได้เนี่ยยิ่งดีเช่นไยิ่งหลงแล้วกลับมารู้ได้เนี่ยยิ่งดีเห็นคขารับมีดไหมคุณพ่อว่าเห็นเขารับมีดไหมเห็นไหมเขารับมีดอมันดันไปข้างหน้าแ ล, ล้วมันึงมาข้างหลังเห็นมั้ยหลวง่อผมอก็ทํ า, าทให้ดูเห็นไหที่มันหลงออกไป ดึงกลับเห็นไหมมันหลงออกไปทุกออกกลับเห็นไหมนั่นแหละยิ่งหลงแล้วกลับมารู้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งหลงแล้วเรารู้แล้วกลับมาได้ปัญญายาิ่งเยอะถนอมปัญญายิ่งเฉียบคมเพราะเวลาเราปฏิบัติเราจะไปหน้าดำข้ามเทียบว่าฉันต้องไม่หลงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้การที่จิตมันเผดที่ด อ, อกไปนั้นมันเป็นการทํางานของขัน อย่างไ้ยังไงจิกตก็ไปนัดตามันบอกอยู่อันนี้จังทุกขังอนนัดตาม <ce lebr ī ly> มันครับอยู่แล้วพูดยังไงยังไงจิตก็ยึดทิฏฐานได้ไม่ตลอดเวลายัางไงบันกวบอกคนไทยที่พยายามปลุกความที่ให้มันอยู่ตลอดเวลาเขาบองนี้วนน่ามันมีคนกํลาลังเดินผิดผิดขึด้นทางคุณไม่ได้เรียนรู้อย่างที่มันเป็นแต่คุณกําลังพยายามทํำให้มันเป็นอย่างที่ใจคุณต้องาการให้เป็น แต่ถ้าคุณเรียนรู้อย่างที่มันเป็นด้สร้า ง, งความรูส้สึกเฉยเฉยแล้วสังเกตุมันอย่าง่มันเป็นหลงพ่อมีความละเอียดอ่อนกับการสอนลูกสิตอนที่พราจารย์ก็มาอยู่หลวงพ่อที่นี่ขอรักษพออาจารย์ขึ้นเปีละครตาบอกว่าดวงตาทั้งหลายก็สะพายมาดออกไปแล้ว ไอเราว่าเอ๊ะทำไมไม่รอเราแล้วเราตีระครังกลัวจะลงจะขอระครังแล้วเราจะไปกับใครความรู้สึกไม่พอใจมันก็ขัดขทั้งการตีระครังของพ่อจาย์ก็ตีแบบเพื่อให้แลแล้ว่วะเข้าใจพอตีเสร็จก็วมลงมองหลวงพ่อกำเขียนยืนอยู่ที่ขอระคังเนี่ะตรงข้างแล้วอย่างหน้ามองพ่าจาอจันเขาขยอยนะ หลวงพ่อสายหน้าเราก็เสร็จแล้วก็เดินลงมาบอกอู้าบาทของพ่อหลวงพ่อพาเดินอกไปทางนี้ไปบิดาบาทกับผมเดินตามหลังหลวงพ่อไปอุม้มบาดให้หลวงพ่ อ, พอจักรกิจทิพย์เเบตนะเวลาพระเิเบตพระลามะเขาตีหละคํนะเขาจะเอาเก้าอี้มานั่งเลยนะ แล้วจากนั้นเนี่ยเขาค่อยๆดึงเชือกที่มันติดกับติดค้อนะติดกับไม้น่ะค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ต้งเขาจะปล่อยให้เสียงเนี่ยบรรดังสะท้อนกล้องเปงของค์แล้วก็เขาก็จะสวดมนต์ของเขาบทหนึ่งบท เสียงะระฆังหายไปในภูเขาเขาขาจะหยขึ้นมาใหม่ฟังผงพ่อเขาเดินคุยกับพระอาจารย์ไปเราได้ข้อคิดอะไรแล้วก็เดินฟังไปแล้วก็ุ้มหน้าฟังเลราู้วหลวง้อกันละกิจการก่อนนี้เราจะมาได้เช้าวันใหม่ขึ้นตีหนึ่ หายใจเข้าลึกพลๆพัดลมหายใจยาวหยิดไม้ตีหลักหงขึ้นมาที่ความรู้สึกตัวป่อยใจว่างๆไม่มีความปฏิคะต่อเสียงของหลักหางไม่มีใจที่จะปฏิคะต่อสิ่งใดแล้วตีออกไปด้วยการเหมยงแขนแบบไม่ได้แข็งกล้ามเนื้อใดๆแล้วปล่อยให้เสียงมันหายไปแล้วก็ เป็นใหม่ตีเสร็จมองลงมาหลวงพ่อพยักหน้ามไม่น่าเชื้นเพียงแค่การตีระฆังหลวงพ่อก็ใส่ใจที่จะมองถึงภาวะจิตของเราว่าเป็นอย่างไรและท่านกบคร้มเยียบตอบและตอบให้เราเข้าใจนี่คือความละเอียดอ่อนของความเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์จริง ตอพระอาจารย์ยิ่งข้ามพูดด้วยคำบอกบอกเมื่กอกี้พุะธพลว่าโชคดีที่พระอาจารย์ได้พบดถึข้อความเขียนตั้งแต่พัรษาที่สองแล้วมันทําให้พร า, าจารย์ไต้องแถ่งหาคูุบายกันารใดอีกทั้งหมดทั้งสิ้นยกไว้เนือหัวหลวงพว่อคําเขียนนั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะบอกพวกเราแม้แต่วันสุดท้ายที่อาจารย์โน้ตได้พูด ครั้งแรกที่เปิดเจอใน youtube ทูบอาจารย์โน้ตที่พูดถึงเรื่องภาวะสุดท้ายของหลวงพ่อที่หบอกหลวงพ่อลุกขึ้นแล้วก็ขอเข้าห้องน้ําโดยที่ถ้าอุปถัมภ์ก็ไม่ต้องของท่านเป็นแต่แค่ตามไปขอออกซิเจนตามไปนั่นคือเรื่องของหลวอเป็นผู้ที่ให้เราช่วยหลืน้อยที่สุดเพราะเมื่อครั้งหลวง พ, พ่อป่ครั้งแรกก็าอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งในการดูแลนละวงพ่อครับ ให้เราช่วยเดี๋ขั้นน้อยที่สุดท่านจะช่วดี่ยวเอแต่มันยิ่งกว่า น, นั้นก็คือหลวงพ่อเข้าห้องนานชำระล้างทุกอย่างเล็กร้อยแล้วหลวงพ่อกลับมานอนบนเตียงแล้วอดกระดาษมาเขียนเทปหมายสั่งลาแล้วจากนั้ น, น, นท่านก็ถอนตัดเองกำหนดพิธีไถ่ญาติและจัดหลวงอย่างสนิทในช่วงวาระสุดท้ายนั้นชาดิกำลังแตก โดยปกติคุณทั่วไปแล้วเนี่ยกุจลปัสสาวะเนี่ยตอนเป็นเรื่องที่ต้องธาตุดินมันคุมไม่ได้คือกายเนี่ยกุจลปัสสาวะก็ต้องไหลออกมาอยู่นะแต่หลวงพอ่อกลับมีสติที่ควบคุมทุกอย่างแล้วทาให้จบนี่คือสติของหลวงพ่อขนาดนั้นนะท่านได้ทิ้งบทธรรมที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้เราในวาระสุดท้ายนั้นหลวงพ่อเทศน์ด้วยการกระทำให้ดู แล้วมีสติดชอพันักแล้วก็จบลงอย่างงดงามอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่มหาลย์เรียกยากมากๆในช่อชีวิตหนึ่งของเราที่เราจะพบเห็นผู้ที่มีสติเตี่ยมร้นก็สามารถที่จะทำทุกอย่างได้อย่างเป็นโรคสติแม้ขณะที่ใกล้จะตาย ที่มาพูดทั้งหมดทั้งสิ้นก็พือยืนยันว่าของพ่อคำเขียนคือสาหรับภาษางกแล้วอันนี้คือที่สุดที่สุดของคาว่าครูบาอาจารย์ทั้งคำสอนทั้งสิ่งที่ตลองพ่อถ่ายทอดทั้งวิธีการทั้งคำพูดทั้งความใส่ใจและสุดท้ายแม้แต่การกระทำในวาระสุดท้าย ท่านาาก็ยังสามารถแสดงทำได้อย่างหมดจดทอนท้ายนี้ขอ อ, อมามตะ อ, อ, อุปการให้ทุกท่านสงบสบขจาความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องด้วยศีลและธรรมทาให้เป็นใจด้วยการดเปลี่ยนใจไม่เป็นใช้ด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นก็ขอให้สําเร็จสำแังปรารถนาทุกประการขอทุกท่านได้มีชีวิตที่ยืนนานผ่อมีโอกาสให้ทาน ร, รักษาศีล เชินสติสมาธิภาวนาเพื่อมีโอกาสเข้าถึงธรรมลึกล ง, งองค์ากกาคสิ่งมีผลหมาพันธุ์พุทธเจ้าการพ้นทุกือสิ้นเชิงในปิจบันชาตินี้ในชาติใกล้ๆนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเพลิน